การประพฤติข้อวัดที่จะทําข้อวัดให้บริบูรณ์เป็นต้นได้เนี่ยตัวข้อวัดนั้นเพราะกาเจตนาเจตนาที่มาจัดแจงข้อวัดเพื่อจะทําข้อวัดให้บริบูรณ์จะทําข้อวัดนั้นให้เต็มเช่นกรณีที่ว่าปฏิบัติตามทิศทั้งหลายถ้าเป็นคารวะใช่ไหมเช่นถ้าหากเป็นลูกก็ปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทํากิจทำท่านตำลงวงตระกูลทำตนเนี่เหมาะสมเหตุการได้รับทรัพย์แล้วก็ท่านร่วมรับไปแล้วทำบูรุษทิศเนี่ย กรณีที่บําเพ็ญวัดดูแลท่านให้บริบูรณ์อย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าจารีศรีลเนี่ยทำข้อวัดให้บริบูรณ์หรือปฏิบัติต่อครขวารามใช่ไหมก็ด้วยลุกขึ้นยืนรับด้วยคอยไปรับใช้ด้วยอุปถัมภ์ด้วยเชื่อฟังใช่ไ้มอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยกรณีอย่างนี้ก็คือว่าการบําเพ็ญวัดต่างๆในการดูแลอยู่ดูแลท่านอ่าถ้าหาเป็นทระเนี่ยอุตสุดูแลกันกลับเลยใช่ไหม อาจารย์ก็ดูแลศิษย์ศิษย์ก็ดูแลอาจารย์ต่างคนต่างก็บริเวณวัดเพื่อจะทําให้ข้อวัดนั้นบริบูรณ์เพื่อทําวัดให้เต็มไม่ใช่ทําไปเพราะเห็นแก่หน้าอาจารย์หรือเห็นแก่หน้าพ่อแม่แต่เห็นว่าพระบรมศาสดาผู้ทรงพระคุณอนเปรศใช่ไหมผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระบรมศาสดาตรัสไว้ถ้าพวกเธอต้องการจะทําศีลให้บริบูรณ์คือปฏิโมกซ์ทั้งวันศีลให้บริบูรณ์แล้วเนี่ย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 เพราะถ้าเราโกรธข้อวัดเสียไหมเสียไหมเสียชื่อว่าไม่ทําตามคําสอนของไถ่ของพระบรมศาสดาเมื่อไม่ทําตามคําสอนของพระบรมศาสดาข้อวัดเสียกุศลศีลจักบริบูรณ์ได้ไหมเมื่อกุศลศีลไม่บริบูรณ์จะยกตนเองออกจากอบภูมิก็ไม่ได้จะยกตนเองออกจากสังสารวัฏยิ่งไม่ได้อยเลยนี่เห็นโทษไหมล่ะต่อไปปฏิบัติต่อเพื่อนยังไง ก็จะมีข้อวัดปฏิบัติในการที่ปฏิบัติต่อกันถ้าพระก็ต่อสาวธรมมิตรแล้วปฏิบัติต่อบุตรภรยาเบาะแสยางไงเห็นไหมเบื้องหลังเบื้องต่ําไปต้นปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าต่อสาวกของพุทธเจ้านะเราควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรในฐานะพุทธบริษัทหายอยาอันนี้ก็เป็นข้อวัดที่เราต้องบําเพ็ญให้บริบูรณ์ให้เต็มแต่เราบําเพ็ญไปเพื่ออะไรเห็นคุณของพุทธเจ้า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 เห็นทำเพราะเห็นเจตสิกสีลทำเพราะเห็นตัวสังวรศีลเห็นตัวอวิติกมะคือการไม่ก้าวล่วงในการที่จะประพฤติวัดปฏิบัติให้เต็มให้บริบูรณ์อย่างถ้าพระก็ก็มีกวาดวิหารลานไปะเย็นใช่ไหมอันนั้นเป็นวัดของท่านใช่ไหมที่เราต้องทําให้บริบูรณ์สิ่งต่างๆอะไรเนี้ยไม่ใช่ตามไปด้วยความเครียดเหมือนมือใครทํำลบมาเกินที่ตกวาดทุกวันหรือต้องล้างทุกวันเนี้ยไม่ใช่ ท่านทําไปได้จิตผ่องใสได้ใจเบิกบานด้วยการนอมน้อมพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างเนี้ยท่านเคิดว่าทําข้อวัดให้บริบูรณ์ต่อมาเนี่ยตัวกุศลศีลจักบริบูรณ์อันนี้ข้าพเจ้าอยากเอาประเด็นถามต่อใครจะตอบยกมือขึ้นอนี้เอาถามตัวความไม่โลภอะความไม่โลภอะเอาเป็นศีลได้ยังไงเอาโยมันดีตอบความไม่โลภจยเป็นศีลได้ยัง ไ, ยยม ไ, มไยงไยกตัว อ, อย่างคือความไม่โลภเนี่ย เพราะเกิดความไม่โลภขึ้นมาความไม่โลภนั่นแหละก็เลยไปเกือกเก้อกูลไปเกื้อกูลทํากายวาจาให้ตั้งไว้ด้วยดีไม่เกื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายไม่ทุศีนก็เลยน้อมเป็นผู้มีศีนอาศัยความไม่โลภนั่นแหละเป็นเหตุอาศัยความไม่โลภนั่นแหล ะ, เ ป, เ, หมมหละเป็นปัจจัยฉั้นความไม่โลภจึงมาอยู่ในฐานะเป็นเจตสิกศีลทํากายทําวาจาทจําจิตใจให้ผ่องใสใช่ไหมความไม่โกรธเป็นศีนยังไงอโทสาวใช่ไหมเกื้อกูลยังไง ความไม่โกรธความไม่โกรดนั่นแหละเลยเป็นปัจจัยแก่การที่มีเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตาต่อตนเองและกับบุคคลอื่นความเมตตานั้นเลยเป็นปัจจัยแห่งการที่จะทําให้ตนเองไม่รักไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเขาไม่รักไม่ประพฤติผิดในกรรมแล้วก็ไม่พูดเท็จไม่พูดเสาะเสียงไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อและใจก็เป็นไปกับเมตตาถ้าอย่างนี้ชื่อว่ากายบริสุทธิ์ไหมวาจาบริสุทธิ์ไหม ใจบริสุทธิ์ไหมก็เดินนั่นแหละเมตตาที่เกืือกูนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเมตตามาอยู่ในฐานะเป็นกุศลศีลเป็นเจดสิกสีแต่ของเราเนี่ยมันได้ชั่วแวบแวบแวบแวบเงี้ยแล้วก็เดินมันต่อเนื่องท่านเป็นแวชีก็พยายามอย่าให้จิตโคถูท้อถอยมาแทรกบ่อยเข้าใจนะฮะ เหมือนนั่งกองธรรมยังไงให้ใจเป็นไปกับเมตตาให้มีเจริกศีลออกมาเพ่นพ่านเข้าใจไหมถ้าอย่างนี้ความหดหู่ท้อถอยจะไม่แทรกแล้วใจก็ผ่องใสในการฟังอย่างนี้ถูกไหมเอาเลยอีกข้ อ, ขอสมมาอาชีวะเป็นศีลยังไงเป็นศีลยังไงอ่ะนี่แล้วมาอาชีวะเดินเพ่นพ่านเลยอเอาเใครเอย่าแล้วมาอาชีวะเจ้าต่อเลยเจ้าย้อนมาที่เราข้างหลังนี่เป็นยงสมาาชีวะ อาชีพบริสุทธิ์เนี่ยเป็นยังไงที่จะเป็นสัมมาชีวะอา้าวต่อที่สัมมาอาชีวะช่กันหลายหลายคนในสามนี่เป็นความจําไม่เป็นความจําเยอะเข้าใจไม่ยอมสุปปนานะโหเนี่ยความจําพอได้ว่าไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายสัตว์เป็นไม่ขายใครไห้ยาพิษเป็นต้นใช่ั้มที่สัมมาอาชีวะด้วยหลักจริงๆดังที่ได้กล่าวเนี่ย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 เว้นจากกายยทุจริตสามวิจีทุจริตสี่ที่เกี่ยวกับอาชีพก็แปลว่าเป็นไปกับอาชี PN นั่นนะแปลว่ากายต้องสะอาดวาจาต้องสะอาดจิตต้องเป็นยังไงจิตก็ต้องสะอาดปราศจากอกุศลมะกุ้มลุงถ้าอย่างนี้นใช่แล้วเป็นไปกับอาชีพอย่างนั้น่ะอาทํางานไปด้วยหดหูไปด้วยอาชีพก็ถูกด้วยอันนี้เป็นสมาชีวะเดินไหมไม่เดินเอามานั่งเรียนก็เป็นอาชีพนะใช่ไหม เรามีก็เกี่ยวข้องกับที่ว่าเรามีอาชีพแต่เรามีเวลาในการที่มาศึกษาเราเรียนเนี่ยนะว่าทำจะในขณะไหนมอนั่งเรียนเนี่ยปล่อยจิตใจหดถูจิตใจท้อถอยไปด้วยถือว่าใจบริสุทธิ์ไหมอย่างนี้ถ้าใจไม่บริสุทธิ์ใจเศร้าหมองเข้าใจ ย, ยางฉะนั้นจะไปทํางานที่เราเกี่ยวข้องกับอาชีพเราด้วยแต่ใจเราหดถูท้อถอยด้วยใจเราโลภด้วยใจเราโกรธ ด, ด้วยแล้วก็ความหลงเกิิิิดดดขึ้้้้้้้นนนนนมาาาาาวววยยยจจจกฉุงงรํคญใเเเีียยเป็ตน ไปเลยเนียอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเดินสมาชีวะไม่ถูกอาชีพเนี่ยถูกแต่ใจที่เดินไม่สะอาดผลของจิตผลของศีลไม่เดินนี่เรื่องกระจายใช่ไหมตัวกุศลศีลต้องเป็นแบบนี้ต้องฟองใส่ <c oughs> ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ปัญญาที่เป็นศีงเพราะปัญญานั้นจะเข้าใจในเรื่องกรรมและเข้าใจผลของกรรมเข้าใจทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีใช่ไหมกุศลกรรมแล้วกุศลกรรม แล้วก็ผลของปุสุรกรรมและผลของอาปุสุรกรรมสรุปก็คือว่าตัวกรรมเนี่ยไปเข้าใจเรื่องอะไรปัญญาไปเข้าใจเจตนาที่เป็นกรรมยังไงปัญญาไปเข้าใจเจตสิกใช่ไ้ยเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นต้นยังไงสรุปตรงนี้ปัญญานั้นไปพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมนั่นเองก็รู้ว่าการผิดศีลการทุศีลการไม่ยีศีลเนี่ยเป็นอาปุสุรกรรมจะได้เป็นอาุสุรกรรม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 เสมอเหมือนหนึ่งว่าที่ตนเองเคยทุศีนมาเนี่ยไฟเผาใจเลยเหมือนตนเองโดดลงในกองไฟเลย เ, ยเข้าใจเลยแล้วปัญญาเนี่ยนอกจากจะไปเข้าใจนั้นเด็ดเสร็จแล้วเนี่ยมองถึงสิ่งแวดล้อมก็เกิดข้อมูลและความเข้าใจชัดยกตัวอย่างอามานั่งรถมาปบนั่งคุยกันอีกเรื่องหนึ่งมีรถบรรทุกออานอกหน้าจะมีวัวตัวหนึ่งล้อมลุกล้อมลุกตัวใหญ่ๆ เอามาก็ถามว่านี้เคขาเอาเป็นโคเลี้ยนใช่ไหมวัวเลียนยอมที่ขับรถเขาบอกไม่อันนี้เขาไปฆ่าเนี้ยก็กรณีอย่างเนี้ยแต่ไม่ทราบว่าพระคิดอะไรจะต่อแต่เอามาน่ยคิดเอามาก็คิดบอกว่านี่ไงทอดอทุกข์ความทุศีนเขียนอยู่แล้วนี่ไงคืออบัยศัตร์นอกจากทุศีนอภ า, ายศัตรเูเสร็จแล้วมาเป็นโคยังไม่ถึงเวลาตายจะต้องเข้าถูกลงเชื่อแค่นี้พอหรือยังที่จะสะดุ้งสะเทือน ที่เกี่ยวกับการจะต้องรีบมีศีลยังไงและเห็นนี้อย่างน่านีสสงของศีลเนี่ยถ้าทุศีลเมื่อไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จะต้องไปเป็นนี่ก็เริ่มเกิดมีความรู้สึกร้อนหล่นสิ่งที่ตนเองเคยทำบาปมาก็เยอะถ้ากรรมเหล่านั้นส่งผลเสียเล่าในช่วงนี้โอกาสเจริญกุศลเราจะแย่แน่นอน ฉะนั้นก็เริ่มมาตรวจสอบกายกรรมวจีกรรมใช่ไหมของตนเองสุจริตไหมใจเ่าเป็นสุดจริตไหมปัญญาที่เข้าใจกรรมผลของกรรมอย่างนี้ก็น้องไปที่จะขัดเกลากายวาจาใจให้สะอาดหมดจดอย่างนี้ปัญญามาเป็นสีเข้าใจยังนั้นวิจัยไปแล้วเป็นไปกอย่าการขัดเกล่ทั้งสิ้นที่เป็นไปกับการละบาปทางกายทางวาจาและทางใจอันนี้เป็นสี ปัญญาเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นจากการฟังการวิจัยใช่ไหมนี่แหละปัญญาเป็นศีลเพราะปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วมาเสื้อมคุณทำให้กายวาจานนเนน่ะเกิดความที่จะบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้ข้อมูลทุกอย่างแต่ละวันทุกคนเห็นหมดเลยยิ่งคนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยปัญญาจะทําจิตของศีลได้มากที่สุดใช่ไหมไอ้อยู่โรงพยาบาลี่เห็นทุกวันไหมล่ะเมื่อเห็นทุกวันปัญญาที่เป็นศีลต้องชัด ไม่ใช่เห็นเหมือนสับ ป, ปะเ ล, อ เ, ปปะเลอเห็นศพสับปะเลอเห็นศพบ่อยๆไหมแต่สับ ป, ปะเลอศีลดีไหมกินเล่าไปด้วยเผาศพไปด้วยนี่อันนี้ปแปล ว, ว่าคุูโสรศีลไม่เดินก็ย้ายอย่างเหมือนเราจําได้ลองไปถามสับ ป, ปะเลอที่ท่องศีลคล่องพลืดอรไรนาศีลก็ได้เป็นผู้นําศีลก็ได้ไปจ้างเขาตามสลาต่างๆวัเนี้ต้องให้เงินเขาด้วยเด้อ ใช่ไหมใครเผาเป็นค่าเท่าไรเป็นชิดเบ็ดเสร็จหมดแล้วนั่นมันจำศีลแต่มันไม่เข้าใจศีลไ ม, ม่ลึกซึ้งในศีลมันเดินกุศลศีลไม่ได้ไม่เห็นทอดทุกงานทุศีลไม่เห็นคุณทุกงานในศีลปัญญาที่เป็นศีลมันไม่เกิดถ้าใจยากถ้าเราเรียนแบบนั้นเน่ะจําแบบนั้นเราก็จะไปต่างอะไรกับซาปรเลยคนนั้นลประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดปัญญาแล้วมารักษาศีลหนึ่งจะเป็นศีล ถ้าเกิดปัญญาแล้วเพื่อทํำสมาธิทำมั่นขึ้นมันอยู่ในชั้นของสมาธิยเยอะไปเกื่อกูลสมาธินี่มันต้องดูปัญญาที่เห็นแล้วเบสเสร็จแล้วก็เกื้อกูลพิจารณาเห็นโดยความเป็นรูปเป็นนามอันนั้นมันเป็นวิปัสสนามันก็ต้องแยกให้ออกว่าปัญญาอยู่ในฐานะไหนเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาพอวิจัยเบสเสร็จแล้วก็จะมาดูแลกายกรรมวจีกรรมเพื่อให้มีศีลแล้วก็มนโนกรรมให้มีกุศลศีลตัว ที่ประเด็นก็อยู่ตรงเมื่อกี้ยอมถามตอบประเด็นตรงนี้ได้ว่าอยื่ต้องค่อยๆเรียงประเด็นแล้วตอบปัญหาไม่ครบบริบูรณ์ประเด็นตรงนี้ที่ยอมถามก็คือว่ากรณีที่ไปเห็นแล้วเราก็บอกเรายังไม่พ้นคิดอย่างนั้นใช่ไม่ใช่แต่คิดอีกทีคือคำรรที่ทำใช่ไหมทําไมเขาต้องมาตายที่อายุสั้นอายุน้อยนี่โทษของการทําปาณาติบา ทำไมต้องมีโรคภัยแค่เจ็บมีโทษของเบียดเบียนสัตว์ใช่พิจารณาอยกรรมเหล่านี้เราเคยทำมาในสังสารวัตรพร้อมที่จะให้ผลเราได้ตลอดนี่เรานาโทษของการทุศีนีข้อแรกชัดเลยเห็นไฟไหม้เห็นอะไรต่างๆเห็นคนวิบัติเพราะทรัพย์ชัดเลยเห็นคนแตกแยกเอาชัดนะเราจะมองเห็นผลของกรรมเป็นแถวหมดเลยฮนะทั้งตําดีเราก็เห็นทั้งกรรมชั่วเราก็เห็น เียนตัวเหียดด้วยเห็นตัวผลด้วยก็น้อมขัดเกลากายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมให้สุดจิตแล้วจากนี้ความตั้งมั่นจะแข็งแรงไหมแข็งแรงตัวเนี้คือปัญญาทํางานเป็นศีลแล้วตัวนี้เป็นเป็นศีลก็น้อมัาขัดเกากายวจาและใจน้อมออกจากอากุศลกรรมบทชศีลแล้วน้อมก็หากุศลกรรมบวชศีลอยู่ในระดับศีล ทีนี้เขาออกจากควาณนติบาสออกจากการฆ่าออกจากการลักออกจากการประพฤติผิดในการมได้ออกจากการพูดเท็จส่อเสียดทำหย่าเพื่อเชื่อได้ออกจากความโลภออกจากความโกรธออกจากโมหะคือความหลงได้แล้วก็มายืนอยู่ในระดับของกุศลกำบวดสิบไดชัดเดินกุศลกำบวดสิบชัดมากทั้งศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาละดมมาเกิดในใจตลอดเลยเข้าใจใช่ไหม เพื่อหนุนเดินตลอดนะักเข้านะัเข้าเกื้อหนุนกุศลกรรมบวเนี่ยสุจริตสามไม่เดินอย่างแข็งแรงนะัเข้าเขาจะออกจากกรรมคุณห้าออกจากกรรมฉันทะด้วยเนคขมะออกจากพยาบาทด้วยเมตตาออกจากขีนมิท้าด้วยการกำหนดธรรมเข้าหาแสงสว่างเนี่ยนะเข้าหาแสงสว่างคือโลกะมีความโล่งมีความโล่งไม่มืดตื้อมันติดคุกอยู่นนะแล้วก็ออกจากอุทะจากปุกุจารู้ไหมด้วยความเหมือนเป็นธาตออกได้เลย แล้วก็ออกจากวิจิกริชาด้วยการกําหนดธรรมที่แน่นอนไม่ลังเลและที่จะทําบาปหรือทําบุญอะไรต่างเนี่ยน้อมก็หาเจริญกุศลอย่างที่เลยออกจากอาวิชาด้วยปัญญาออกจากอารติใช่ไหมคือความไม่ยินดีด้วยการน้อมก็หาความยินดีในธรรมเพราะออกได้ใ น, นลักษณะนี้แปลว่านิวรสงบและพอนิวรสงบเนี่ยถึงจะก้าวสู่การเจริญ ว, วิปัสสนาชัดถ้างั้นใจก็คือ เดินวิปัสนาไม่คล่องหรอกจิตมันไม่คล่องแค่วมันไม่ควรต่อการงานเราท่านทั้งหลายที่มันพลาดกันได้เพราะตรงเนี้ยเราไม่กล้ามันเป็นตามลำดับจะโดดไปเอาวิปัสนาทั้งๆ ท, ท, ที่กุศลศีลอ่อนเองมากพยายางแล้วยังไม่เข้าใจเรื่องกุศลศีลเลยยังไม่เข้าใจการออกจากกลุ่มของอกุศลกรรมบดยังไม่เข้าใจจา ก, การออกจากมิวอันห้าเมื่อออกเบ็ดเสร็จแล้วต่อมาเดินวิปัสนาคล่องไห้เดี๋นี้ การวิใจัยใยความเห็นเป็นรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารญาณทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยา่างละเอียดชัดขึ้นมานี่วิปัสสนาปัญญาที่ทาจิตเพราะมีฐานที่สมาธิแข็งแรงแล้วพอออกแข็งนิวรณ์ได้แล้วจิตปลอดวงโล่งเบาไหมเป็นอิสระไหมเป็นอิสระมากควรต่อการงานไหมควรต่อางานงานยังไหมตรงนี้คล่องแคล่วในการที่จะวิจัยไหมมันจะเป็นไปในลักษณะยังไหมปัญญามนันจะเป็นแบบนี้ เข้าใจไหมมันเป็นลักษณะแบบนี้นะไม่ใช่อยู่ๆเลยเนะี่ยโดดเข้าห้องวิปัสสนาเลยต้องขัดเก่าเป็นนี่เป็นอย่างนี้แล้วมันก็มานั่งหน้าดำคำเครียดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่โลกไม่โปร่งใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ยทีนี้ความเข้าใจในต้องชัดการศึกษาพระธรรมนั้นไม่ใช่ศึกษาแบบประเภทที่วางใจยังไงก็ได้ขอให้จำได้ ขอให้รู้มากกว่าคนนั้นผิดหมดแล้วตั้งเจตนาเหล่านั้นน่ะไม่มีทางเข้าใจ่าทำมันจะเข้าใจได้ยังไงเพราะเราตั้งใจเจตนาเรียนก็ผิดแล้วต้องตั้งใหม่ผิดไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะการผิดเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าถูกนี่น่ะอัศจรรย์ทําถูกได้ยังไงเราจะแปลกใจใช่ไหมการทําให้ถูกในะยากไหมยากเพราะเราตัดป็นผู้มีความเห็นผิดมาอย่างยาวไกลก็นี่ไง สมมาวาจาสมากรรมตะสมาชีวะแล้วก็ความไม่โลภ ค, ค, well. ค, ความไม่โกรธตัญญาเป็นเจตสิกศีนหมดเลยตัญญาก็เป็นเจตสิกศีนความไม่โกรธก็เป็นเจตสิกศีนความไม่โลภ ก, ก็เป็นเจตสิกศีนสมมาวาจา่าการกล่าววาจ่าที่เว้นจากวจีทุจริตีก็เป็นเจตสิกศีนสมมากรรมตะ การงดเว้นจากกายยะทศจริตสามก็เป็นเจตสิกสีมสมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบที่เว้นจากกายทศจริสามวิจีทศจริตสี่ที่เกี่ยวกับอาชีพนี้ก็เป็นเจตสิกเจตสิกสีมีหกตัวครับในที่นี้ได้กล่าวว่าเจตนาศีอีกตัวหนึ่งนี่เพิ่งเรียนสีมาเจ็ดตัวเองเหลือสังวรอีกห้ายังไม่ได้เรียนเหลือวิติกามาการไม่ก้าร่วมอีกยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวก็จะไปสรุปรวมอีกยังไม่ได้เรียนเนี่ยนะก็ค่อยเดินไปดีไหม วเวรตีนะถ้าพูดให้แตกแยกหรือไม่เป็นเวรตีถ้าพูดให้คนสามัคคีกันนพูดให้คนมีความรักกันมีสามัคคีกันจริงจะเป็นวิรตีจริงจะเป็นสมมาวาจาวิรัตตอนนั้นนะคืองดเว้นจากบาปทางกายทางวาจาและงดเว้นจากอาชีพที่ผู้เจรเขาเรียกว่าวิรัต์คำว่าพูดดียกตัวอย่างเช่นพูดเพอาเพราะ แต่เป็นเหตุทิมแทงให้คนแตกแยกกันไนดะ้เอาคนพูดดีๆแตกแยกกันได้ไหมคนพูดเพราะๆทั้งหลายเอาเราเป็นคนไทยเราต้องรักกันอย่าไปทำอย่างคนชั่วทั้งหลายซึ่งกำลังทำกันอยู่แตกไหมฮะพูดดีไหมพูดเพราะด้วยนะกรณีอย่างเนี้ยบอกว่าเนี่ยคนชั่วทั้งหลายหรือไปพูดบว่ า, วามีผู้ก่อการร้ายเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยอนนี้พูดพูดดีนะ แต่เนี้ยคนแตกไปยัดข้อาหาเขาประยัดเข้าไปยัดเสร็จยุ่งเลยเนี่ยนะนะเขา้านะเข้าในคนถูกว่าเอ้ยว่าคุณถ้าพูดเป็นสัมมาวาจานี่นะการพูดที่ว่าไม่ส่อเสียดเขาพูดด้วยกุศลและจิตเข้าใจทุกคนเมื่อเกิดความโกรธกะทำทุกอย่างฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายดับความโกรธทางหน้ามาคุยกันสิ่งที่ผ่านมาแล้วไอ้ผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายกันไป แต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมแต่ทุกคนนั้นนะ่ะต้องหันหน้ามาคุยกันแล้วบ้านเมืองมันถึงขนาดดีแล้วทุกคนไม่ควรไปคิดอย่างอื่นแล้วเราต้องมานั่งตั้งสติกัน แ, แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นว่าทําไมมันมืดมนอันตการและไม่ราท่านทั้งหลายเนี่ยหลงผิดกันขนาดนี้ใช่ไหมมันไม่รู้จะไปกล่าวโทษใครแล้วในเมื่อผลมันเกิดขึ้นมาแบบเนี้ยแบบเสรยจทุกวันนี้ต้องดับความเล่าร้อนในใจก่อนแล้วค่อยนั่งคุยกัน อย่างเงี้ยถ้าคุยอย่างเงี้ยคุยดีแต่ไม่แตกแยกคุยแบบสมัครสมานใช่ไหมคุยให้คนเข้ากันแต่คุยดีเหมือนดีนี่แหละแต่มันทําให้แตแกแยกหน้าก็ทิมแทงอีกฝ่ายหนึ่งซ้าอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นฝ่ายที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้เสียเลยใช่ไหมเนะี่ผู้นําเนี่ยสำคัญต้องอ่านมโหโสถช้าดกว่าท่านแก้ปัญหาอย่างไรเวลาเกิดกรณีการแตแกแยกเนี่ยผู้นําต้องรู้คําสอน ถ้าไม่รู้คําสอนก็จะเอาหลักของนั่นแหละนิตสสากลตัสสากพูดกันอยู่นี่แหละซึ่งมันเสียหายมากใช่เพราะมันแต่ละฝ่ายนะมันเยอะมันไม่ใช่น้อยมันไปตอกไม่ได้ไปตอกริมแล้วมันจะแซะมันจะแซะไปไหนอ่ะยิ่งไปบอกบอกว่าใครไม่รับพ่อก็อย่าไปอยู่แผ่นดินของพ่อที่เสียเลยนะนะไปพูดอย่างเงี้นะมีใครมันเล่าเล่าอะรามาบ้งเนี่ยเขาเรียกว่าพูดดีแล้วมันทําให้เสีย ไม่แบ่งแยกสังคมไทยใ น, ในกรณีอย่างเนี้ยพอไปพูดแล้วมันก็มันทําให้เสียเพราะมันเสียอะไรเสียสัมมาวาจากรณีอย่างนี้ไปพูดได้ยังไงใช่ไหมต้องพูดบอกว่าไอสภาพของชีเ่เหลือหรืออกุศลหรือบาปต่างๆว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยยามหน้าสิว ห, หน้าขวานทุกคนขาดสติกันหมดแต่ตอนเนี้ยควรตั้งสติกันก่อน แล้วก็ก็ดับไปในใจคือความรุ่มร้อนเชื่อทุกคนสูญเสียประชาชนทุกคนนเนี้ยสูญเสียสูญเสียความรู้สึกใช่สูญเสียโอกาสอะไรเยอะแยะเบ็ดเสร็จหมดแล้วสรุปแล้วทุกคนเน่ที่อยู่เป็นคนไทยทั้งหมดแม้คนทั้งโลกที่เขามองมาเขาก็เสียเขาก็มีความรู้สึกสูญเสียความรู้สึกหรือความรู้สึกดีๆฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะกระจัดความสูญเสียตรงเนี้ย ไอเสียทางด้านเศรษฐกิจมันไม่เป็นไรหรอกมันปื้นปูไม่เท่าไหร่มันก็จบเพราะประเทศไทยเนี่ยมันผ่านอะไรกัมาเยอะกว่าจะเป็นประเทศไทยมันก็ไม่ใช่ประเทศไทยอย่าไปยึดอะไรกันนักหนาอย่างเงี้ยอะไรก็ว่ากันไปแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าการเข่นข่ากันการทําลายหักล้างกันการเล่นดันเกินขอบเขตอันนี้มันผิดคาสอนแล้วไม่สมกับที่เราเป็นชาวพุทธ เดินตามพระธรรมพระสอนพระพุทเจ้าก็ต้องระดมวิธี ต, ต่างๆเนี่ยบอกเขาทีนคนที่พูดเป็นเนี่ยคนที่รู้หลักการจริงๆอ่ยมันไม่มีโอกาสเข้าไปพูดซึ่งมีเยอะใช่ไหมแต่ไม่มีโอกาสเข้าไปพูดก็คือจริงๆนะวาจาเนี่ยบางครั้งนะวาจาอะไรมันจริงใช่ไหมถ้ามันไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบไปได้วยประโยชน์เนี่ยพระองค์ก็ไม่พูด ไม่จริงไม่แท้ถึงแม้่ามีประโยชน์พระองค์ก็ไม่พูดหรือว่าจริงด้วยแท้ด้วยมีประโยชน์ด้วยพระองค์ก็รู้จักการที่จะพูดรู้จักการที่จะพูดคนที่จะกล่าวต้องอยู่ในฐานะที่ไม่ได้มีส่วนได้ถ้าที่สามารถที่จะพูดได้มีเยอะอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านยกนี่นะันนะอ้างนามท่านหน่อยเจ้าคุณธรรมบิณฑหรือเจ้าคุณรมพุนาภรใช่ไหมถ้าอย่างเงี้คนคนนิมนต์ท่านมาพูดจะสัมผัสสถานการณ์ ถ้านในลักษณะนี้ท่านพูดกระชี้ถาไมไปเลย น, นีเราก็ไม่ไม่เอาทั้งๆ ท, ที่เรามีมีท่านผู้รู้อยู่ในประเทศไต้เต้ยเยอะยนี่เราก็ไม่เกลียดแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วหลายคนก็ยอมแลบแล้วก็ไม่เคยเป็นักติกับใครท่านพูดท่าก็มีความเป็นกลางแล้วท่านก็ชัดเจนแล้วก็ชี้ทางออกให้ได้ด้อันนี้สีคือปัญญาไนะคือพูดถึงเรื่องของปัญญาแล้วก็ต้องทาให้ตรงนี้เป็นกรรมใช่ไหม ก็พิจารณาว่าเออเนี่ยสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยเราพิจารณาให้เป็นกุศลศีลได้เพราะปัญญาไปทํากิจในการวิจัยวิจัยเราก็เห็นโทษของการทุศีลจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งยังไม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็โทษของการทุศีลเนี่ยเวลาผลของความทุศีลเกิดขึ้นก็เห็นแลน้วมว่ามีทรัพย์โดนถูกเผาโดนถูกทําลายชีวิตโดนข่าโดนอะไรต่างๆเขาแล้วแต่นเนี่ยกรณีอย่างเงี้ย ท่านผูนั้นที่ไปโดนอย่างนั้นก็คือว่าก็ผลของอุปโสแลกรรมไอ้หลายท่านเข้าไปเขาไม่เป็นอะไรอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราก็จะเห็นว่าต่างกันบางท่านจะเจอบางท่านก็ไม่เจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เห็นคนกําลังทํากรรมที่เป็นกรรมดีและกรรมไม่ดีท่านเหล่านั้นก็จะต้องรับผลกรรมดีและไม่ดีไปเราก็มาพิจารณาว่าตอนนี้กายกรรมวิจีกรมะมะกรมระมโนกรรมของเราเนี่ย ใช่ไหมมันเป็นยังไงอันนี้ก็บาให้ควรอันนี้ก็จะเป็นไปในส่วนของเกิดศึกสีที่เป็นปัญญาพราะจะมองเห็นใช่ไหมฉะนั้นพอสถานการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ปัญญาเกิดแต่ปัญญาเกิดเบีดเสร็จแล้วมันไม่พอนะแค่เข้าใจตรงนั้นเลยยังไม่พอแต่ถ้ามาเกือ้อกูลทําให้สุจริตสามดีขึ้นอันนี้ปัญญานีนอยู่ในฐานะเป็นสีแล้วก็เตือนกันว่าเ น, นี้ในยุคนี้ด้วยแล้วเนี่ยความตั้งมั่นในกุศลศีลต้องชัดเข้าใจไหม อันนี้ก็ชัดเจนด้วยนี้ก็เลยเข้าใจนี่พอจะเข้าใจแล้วั้มต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของสังวรเป็นศีลส่วนในเรื่องของสังวรเป็นศีนลได้แก่การติดบาปด้วยสติเป็นต้นก่อนนะอธิบายย่อๆก่อนแล้วก็จะมาสรุปทีในการติดบาปตัวสังวรเนี่ยคือปิดบาปเช่นสติสติสังวรก่อนเนี่ยนะจะเห็นชัดปิดบาปอย่างยอมมองคลก็ เียนโลกไม่บาปคือใช่ไหมมีตาอยู่แต่มีทวารตาอยู่เนี่ยเมื่อเห็นสีต่างๆเหล่านี้ยก็สามารถปิดไม่บาปเข้าสู่ใจได้หรือได้ยินเสียงดงกลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิดนึกก็ไม่ให้โลภะโทสะโมหะหมุนกข้สู่กระแสจิตการปิดต้องกันโลภะโทสะโมหะไม่หมุนกข้สู่กระแสจิตได้อย่างนี้เป็นสังวร น, นะนี่เเรียกปิดบาบ ไม่ให้โลภะโทสะหมุนก็สู่กระแสใจพอจะสรุปตรงนี้พอได้ก่อนนะนี่คือสังวงรสีก่อนเดี๋ยวไปแจกรายละเอยียดทีประการสุดท้ายสุดท้ายช่วงสังขีอวีติกรมะความไม่ก้าวล่วงความไม่ก้าวล่วงนี่คือตัวทั้งจิตและเจตสิกที่เป็นกุศลจิตบาทเป็นไปด้วยการไม่ก้าวล่วง การไม่ก้าวล่วงเนี่ยมันจะต้องเป็นปฏิบัติต่อการก้าวล่วงตามไม่ก้าวล่วงถามว่าก้าวล่วงคืออะไรก้าวล่วงคืออะไรถ้าฆ่าสัตว์จะถือว่าก้าวล่วงไหมรักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทเ็จสอนเสียดําอย่างเพื่อเชือ่อเห็นไหมก้าวล่วงโลกเห็น ไ, ไห ม, ไมก็โกรธแล้วก็เห็นผิดเห็นไหมกรณีก็คือไม่ก้าวล่วง ไม่ก้าวร่วงไม่ให้บาปประรำต่างๆอันนี้หมุนก็สุยใจ